การปฏิบัติอันเป็นแก่นแท้ด้านในในช่วงเวลาที่ท่านบรมครูปัมะสัมภาวะพักอยู่ที่กระท่อมใกล้หินก้อนใหญ่ในวัดแซงเยท่านเชอรับเกียวโปแห่งเมืองงอกซึ่งเป็นผู้เท่าวัย61ปีไม่เคยได้รับการศึกษาใดๆมาก่อนแต่มีความศรัทธาต่อท่านคูรู้เป็นอย่างยิ่ง และทุ่มเทชีวิตจิตใจเฝ้าดูแลปรนิบัติท่านอยู่ที่นั่นซึ่งตลอดเวลาดังกล่าวท่านเชิรับมิได้เคยเอ่ยปากถามถึงคำสอนใดๆเลยและท่านครูเองก็มิได้เคยสอนหรือแนะนำสิ่งใดให้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีท่านครูตั้งใจที่จะเดินทางออกจากที่นั่น ท่านเชรับจึงได้ถวายถาดมันดาราที่ประดับด้วยดอกไม้และทองคาหนึ่งออนเพื่อแสดงความเคารพบูชาอย่างสูงพร้อมกับถามว่าข้าแต่พระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่โปรดเมตตากระผมด้วยประการแรกผมเป็นคนไร้การศึกษาประการที่สองผมมีปัญญาน้อยประการที่สาม อายุผมก็มากแล้วาธาตุขันของผมก็เสื่อมลงทุกวันผมอยากขอร้องให้ท่านช่วยแนะนำผู้เท่าคนนี้ที่กำลังย่างเข้าสู่ความตายด้วยสิ่งที่ง่ายแก่การเข้าใจสามารถตัดขาดความสงสัยลังเลทั้งปวงง่ายต่อการนำไปใช้ปฏิบัติและเห็นแจ้งเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีประสิทธิผลสูง และสามารถช่วยกระผมได้ในอนาคตชาติท่านบรมครูจึงได้ใช้ไม้เท้าของท่านชี้ลงไปที่ใจของท่านเชิรับและให้คำแนะนำดังนี้จงตั้งใจฟังให้ดีท่านผู้เท่าจงสังเกตลงไปที่อาการตื่นรู้ของจิตของเธอเองมันไม่ได้มีรูปลักษณ์ และสีสันอันใดมันไม่ได้มีขอบเขตรหรือมีศูนย์กลางตอนแรกมันก็ไม่ได้มีจุดกำเนิดเริ่มต้นแต่มันว่างเปล่าต่อไปมันก็ไม่ได้มีที่ตั้งอยู่แต่มันว่างเปล่าและที่สุดมันก็ไม่มีเป้าหมายที่ไปแต่มันว่างเปล่า ซึ่งความว่างเปล่านี้มันมิได้เกิดขึ้นจากสิ่งใดๆมันใสกระจางแต่ก็มีสำนึกรู้ได้เมื่อเธอเห็นมันและตระหนักรู้เท่าทันมันได้นั่นเธอกำลังได้รู้จักหน้าตาตามธรรมชาติของเธอเองเธอจะเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งเธอจะแจ้งชัดในธรรมชาติของจิต มั่นคงในรากฐานแห่งความจริงของสิ่งทั้งปวงและตัดขาดความสงสัยลังเลในเรื่องความรู้ต่างๆออกจนหมดสิ้นความตื่นรู้ของจิตนั้นมันไม่ได้ทำจากวัตถุธาตุใดๆมันมีอยู่แล้วของมันเองในเธอแต่แรกเริ่มมันคือธรรมชาติของสรรพสิ่งซึ่งง่ายต่อการเห็นแจ้ง เพราะว่ามันไม่ต้องไปมองหาในที่อื่นใดมันคือธรรมชาติของจิตซึ่งไม่ได้ประกอบไปด้วยตัวตนแห่งผู้รู้อันแข็งกร้าวหรือตัวตนแห่งสิ่งถูกรู้ที่ติดแนบอยู่มันเป็นปฏิปักต่อความคับแคบของตัวตนอันถาวรและตัวตนอันดับศูนย์ในสิ่งนี้มันไม่ได้มีสิ่งใดให้ตื่นรู้ เพราะสภาวะความตื่นรู้แห่งความรู้แจ้งหลุดพ้นนั้นคือความตื่นรู้ตามธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเธอเองในสิ่งนี้มันไม่ได้มีสิ่งใดที่ต้องไปนรกเพราะความตื่นรู้ตามธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วในธรรมชาติของมันเองในสิ่งนี้มันไม่ได้มีการปฏิบัติใดที่ต้องกระทำอีก เพราะธรรมชาติของมันนั้นคือความตระหนักรู้ได้เองอยู่แล้วในตัวมันเองสัมมาทิฐิอันยิ่งใหญ่แห่งสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมนั้นมีอยู่แล้วในตัวเธอเองมั่นใจเถิดว่าเธอไม่ต้องไปสแสวงหามันจากที่อื่นใดเมื่อเธอเข้าใจแจ้งชัดในสัมมาทิฐิเช่นนี้ และนำมันไปใช้กับประสบการณ์ทั้งหลายของเธอเช่นนั้นไม่ว่าที่ใดที่เธออาศัยอยู่มันคือสถานที่วิเวกของเธอเองไม่ว่าปรากฏการณ์ภายนอกใดๆที่เธอรับรู้ล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นความว่างที่ว่างอยู่แล้วตามธรรมชาติจงปล่อยให้มันเป็นของมันเอง ด้วยปราศจากความคิดปรุงแต่งใดๆและแล้วปรากฏการอันอิสระอยู่แล้วตามธรรมชาตินั้นจะกลายเป็นเครื่องช่วยของเธอและเธอจะสามารถปฏิบัติได้ท่ามกลางการใช้ปรากฏการทั้งหลายนั้นเป็นหนทางของเธอโดยภายในแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิตของเธอ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอคิดมันไม่ได้มีแก่นแท้ตัวตนอันใดมันล้วนว่างเปล่าการปรากฏขึ้นของความคิดนั้นล้วนเป็นอิสระอยู่แล้วตามธรรมชาติเมื่อเธอตระหนักชัดถึงแก่นแท้อันว่างเปล่าของจิตของเธอเองเธอก็จะสามารถใช้ความคิดทั้งหลายของเธอเป็นหนทางที่เธอจะก้าวไป และเช่นนั้นการปฏิบัติของเธอก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายสำหรับคำแนะนำอันละเอียดที่สุดภายในไม่ว่าอารมณ์อันรบกวนชนิดใดที่เธอรู้สึกจงเรียนรู้สังเกตอารมณ์นั้นแล้วมันจะสลายไปของมันเองโดยไรร่องรอย อารมณ์อันรบกวนทั้งหลายล้วนเป็นอิสระอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันนี่คือการปฏิบัติอันง่ายดาย<ม>เมื่อเธอปฏิบัติเช่นนี้การภาวนาของเธอก็จะไม่ถูกตีกรอบด้วยลำดับขั้นตอนต่า ง, างๆอีกต่อไปเมืม่อ ร, ร, รู้ว่าทุกๆสิ่งนั้นล้วนเป็นเครื่องช่วย ประสบการณ์ในการภาวนาของเธอจะไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติดั้งเดิมจะไม่มีสูญหายไปและพฤติกรรมต่างๆของเธอก็จะไม่ถูกมัดตรึงไว้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดเธอจะไม่แยกห่างจากธรรมชาติดั้งเดิมอีกต่อไปเมื่อเธอแจ้งชัดในสิ่งนี้แม้ว่าร่างกายของเธอจะแก่เท่าลง แต่จิตอันตื่นรู้นั้นมีได้แก่ชราไปด้วยมันจะรู้ชัดถึงความไม่แตกต่างระหว่างความหนุ่มและความแก่เท่าธรรมชาติเดิมแท้นั้นอยู่นอกเหนือความแบ่งแยกและความเอง็งเอียงใดๆเมื่อเธอตระหนักชัดในความตื่นรู้นี้อันเป็นความตื่นรู้ตามธรรมชาติดั้งเดิม ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเธอเองมันก็ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่ฉลาดหรือผู้ที่ทื่อทึกเมื่อเธอเข้าใจชัดว่าธรรมชาติดั้งเดิมนี้อิสระแล้วจากความแบ่งแยกและความเอ็นเอียงใดๆอันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเธอเองมันจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้มาก หรือการเรียนรู้น้อยแม้ว่าร่างกายของเธออันเป็นสิ่งค้ำจุนจิตใจนี้จะแตกสลายลงธรรมกายแห่งปัญญายานแห่งความตื่นรู้ย่อมไม่มีวันดับสูญเมื่อเธอสามารถตั้งมั่นอยู่บนสภาวะอันไร้การเปลี่ยนแปลงนี้ได้มันก็ย่อมไม่มีความแตกต่างระหว่างอายุที่ยืนยาวหรือสั้น เธอจงตั้งใจปฏิบัติในสิ่งอันเป็นความหมายที่แท้จริงแห่งธรรมนี้ทุ่มเทปฏิบัติด้วยใจของเธอจงอย่าได้เข้าใจผิดในสิ่งที่พูดไปและความหมายของมันทั้งหมดจงอย่าได้ห่างจากกัลยาณมิตรจงขยันหมั่นเพียพรเผชิญกับทุกสิ่งด้วยสติตื่นรู้อยู่เสมอ จงอย่าได้พูดในเรื่องไร้สาระอย่าได้ใส่ใจกับเป้าหมายธรมธรมดาธรรมดาจงอย่าได้เบียดเบียนตัวเองด้วยความห่วงกังวลถึงลูกหลานและญาติมิตรจงอย่าได้วุ่นวายมากในการบริโภคจงตั้งใจที่จะตายในแบบคนธรมธรมดาธรรมดาชีวิตของเธอกำลังหมดลงไปทุกทีดังนั้น จงขยันหมั่นเพียรปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังย่างเข้าสู่ความตายนี้เถิดเพราะการชี้ไม้เท้าของท่านไปที่ใจของท่านเชรับคำแนะนำนี้จึงได้ชื่อว่า the instructions of pointing the staff at the old man และหลังจากนั้นท่านเชรับเกียวโปก็ได้ภาคเพียรปฏิบัติ จนบังเกิดความรู้แจ้งหลุดพ้นในที่สุดคำแนะนำนี้ได้ถูกบันทึกไว้โดยท่านโซเกียวท่านหญิงแห่งคาเชนเพื่อประโยชน์แก่ผู้มีศรัทธาในอนาคตต่อไป